โยโยตัวยอดนะโอ้โหสืบแล้วก็ถ้าหากเราอังซุนนานาบีไปให้เนี่ยเขาจะพูดว่างั้นปูญยาตายาฉายมาตกต ก, ตกนระกหมดเอ่ะก็ทำไมไม่ขอทูอ้าให้เขาเข้าสวรรค์นะ่ะเดินตามเขาไปทำไมล่ะใช่ไหมเนี่ยพวกเราเป็นอย่างนี้เวลาบอกว่าอย่าทำตามตัวยอนะอย่าท ำ, ทำตามแช์นะ ก็บอกอ้างกันแชร์กระตกในรลกหมดเลยอ้างก็รู้ว่าเขาตกแล้วเราเดินตาลกว่าทำไมทำไมขอดาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้อภยัยโทษในความผิดที่เขาทำไปเพราะเขาไม่รู้นะครับอย่างนี้เป็นตน้นนี่ภาษาอาหรับว่าอย่างนี้ภาษาฮะดิษนะอัลก้ามกาหนูบารอฮิมะยังมุ่งกิรูในลิกุลลิรอซูลพวกพรามเนี่ย ปฏิเสธรอซูลทุกคนที่มาจากอัลลอ์สุ ح ح บฮานหูัลอาลาตัมซิดกับบินะครับออาต่อมาอายาที่แปดสบเอ็ดว่าในาหุมอายาตินาฟะกานูอันฮะมูอาริบินฝ่าว่าใจนาหุมและเราได้ประทานแก่พวกเขา อายาตินะซึ่งองค์การทั้งหลายของเร า, าจะให้อะไรมาก็ตามแต่พวกอัสฮาบุลเิจริหรือพวกสมูทนี่อัลลอฮ์ให้อายาหนึ่งให้สัญญาหนึ่งมาก็คือให้อูดตัวหนึ่งมาอูดออกมาจากภูเขานี่แหละแล้วก็อัลลอฮ์นบีสอดรัสั่งว่าอย่ายุ่งกับอูดชนนะอูดมันกินน้ำประวัตินี่เป็นว่องคงจะฟังจากทีวีเนี่ยเยอะออกบ่อยใช่ม โดยค่อยย้ำยิ่งใครอ่ะผมดูลอสุไลมาดจะพูดเรื่องนี้นะประวัติศาสตร์อิสลามน บ, บีซอลแล้วบอกอย่าอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าแตะอูดตัวนี้นะห้ามแตะยิ่งอ่ะเป็นอายาหนึ่งของอัลลอฮ์ทีนี้อัลลอ์เนี่ยส่งอายาส่วนอะไรสัญญาหลายๆสัญญาณมาให้เรายิ่งพวกเรามีสัญญาณเยอะมากเลยนามาดใช่ไหมใช่ถือสินโอดใช่ไหมใช่ กาบริมาชาดะใช่ไหมใช่ประกอบอุมรฮ ادي นี่เป็นอายาทของอัลลอฮ์ทั้งหมดติดต่อกายาคือน้องอย่าทําชีริกต่ออัลลอฮ์อย่ากาวัวอย่ากาบต้นไม้นี่เป็นอายาทของอัลลอฮ์ทั้งหม ด, ดาาทอ Allah. อมี่อัลลอฮ์ให้ให้อ่านคุรานใช่ไหมให้อาวัยอาวัหนวดไว้ยครานี่เป็นอายาทของอัลลอฮ์ทั้งหมดเสียงอาสานเหมือนกันเป็นชาอาญินและเป็นเครื่องหมายสัญญาลักณของอิสลามทั้งหมด ปฏิเสธไม่ได้เลยต้องยอมรับโดยความน้อมน้อมรับโดยความเต็มใจนะอันทีนี้อัลลอฮ์ได้ประทานแก่พวกเขาซึ่งองค์การทั้งหลายของเราแต่พวกเขาได้ฟากานูอันฮะมอูอ์อดีแต่พวกเขาทําอะไรนะออกห่างทําตัวออกห่างทําตัวหันห่างเนี่ยอ่านอาย่านี้อัลลอฮ์เล่าเรื่องของ อัลาบุลให้เจริย์สอนใจเราด้วยเราได้รับอายะหต่างๆของอัลลอฮฺเต็มไปหมดอา้าวอัลลอฮฺให้ดวงอาทิตย์มาดัานไปกราบดวงอาทิตย์อัลลอฮฺให้ดวงจันทร์มาดัานไปกราบดวงจันทร์อัลลอฮฺให้ต้นกล้วยมาออกปีกลางต้นดันไปกราบต้นกล้วยทําไมไม่ขอบคุณอัลลอฮฺวาอัลลอฮ์มีความสามารถสูงให้อะไรนะต้นกล้วยในะออกปีกลางต้นได้ดันไป กราบต้นกล้วยนี่ไงเห็นไหมแตนคำสอนของนบีเนี่ยสอนให้เราฉลาดสอนมาให้เราเน่กราบสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นเลยนะครับฟากนูอายะที่แปดสิบสอง ว่ากนูยันหิตูน์นันันจ mm ็บลบูยุตันอามินินวากนูยันหิตูน์นันันจ็บลพวกเขายันหิตูนี่แปลว่าสกัดพวกเขาสกัดสกัดอะไรครับ จีบัลอ่าสา ก, กัดภูเขาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เล่านะง่ายมากแต่ไม่ค่อยได้เปิดอ่านคุรานอัลลอฮ์เล่านะว่าพวกเขาเนี่ยมีความเก่งแค่ไหนสามารถส ก, กัดภูเขาเป็นอะไรครับ <c oughs> บูยูตันเป็นอะไรใบตุนใบต า, านี่บูยูตเป็นบ้าน <laughs> บ้านเนี่ยจะบิดาแบบไหนก็เชิญ <laughs> นั้นคําสอนของมุฮัมมัดห้ามบิดอะนบีให้มาอย่างไงอย่างนั้นให้ทำตาม น, นั้นไอ้สร้างบ้านเนี่ยจะสร้างแบบไหนเชิญ10ชั้นยี่ชั้นร้อชั้นเชิญนะครับจะสา ก, กาัดภูเขาเชิญใช่ไหมหาความรู้จากการหาเงินเรื่องนี้เชิญแต่ว่าบิดอะที่มาจากท่านนบีทั้งหมดห้ามเด็ดขาดเลยอ้าวนบี นำมาซุบ ส, สองเรกากะอัดําแค่สองย่าไปทาํามนบีจะนำมาซุนัดก่อนซุโบสองเรากะอัดแล้วก็นำมาตะฮัดยุตกลางคืนทำตามนบีใช่ไหมยอย่างนี้เป็นตัวยาไปทําบิณ น, นะครับอย่างอื่นไม่มีปัญหาฉะนั้นจะสร้างบ้านชั้นเดียวสองชั้นจะขุดดินเป็นเป็นเป็นรูอยู่แบบพวกงูเชิญตามสบายตอนนี้อัลลอฮฺเล่าให้ฟังว่าอาัลฮะบุญฮิจรีเนี่ย มีความสามารถเก่งหนึ่งร่างกายแข็งแรงสองมีทรัพย์สินมากสา ม, มีความเจริญทางสถาปัตกรรมโอ้โหแล้วก็มีความสามารถส ก, กัดภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยได้วากาหนูยันไฮตูนะมินัลจิบาลีบุยตันแล้วก็ตอนท้ายอะไรอามนีนอยู่ในบ้านแล้วมันปลอดภัยนี่อัลลอฮ์เล่าเลยนะ ความรู้สึกของคนในวันนั้นถ้าได้อยู่บ้านสกัดจากภูเขามาอชั้นนี่ชั้นหนึ่งเลยเหมือนกับคนประเภทหนึ่งเลยแหละครับราคาแพงมากร่ำรวยใช่ไหมตะกร้ บ, บุญเยอะยิ่งคนในเวลาอยู่บ้านราคาแพงๆเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตนะตะกร้ บ, บุตรหมดเลยแล้วนี่อร่ลยเหล่าไงอะอมนินิอยู่ยังไง ลาเข้าคุณนไม่มีกลัวเลยแล้วไม่นึกว่าจะตายด้วยอยู่ในคาราฮาร์ต้องแปลว่าค า, า, า, า, <c oughs> ร, า, าราฮา์ตไม่ใช่บ้านนะความจริงคาราฮาร์ตในภาษาอุรดูแปลว่า g a r d g a แปลว่าบ้านธรรมดาพอ <c oughs> เอาไปถชาเป็นภาษาไทยในโอลโลสาว่ายิ่งใหญ่ภาษาอุรดูเ <c oughs> ขาใช้กัน g a r d g a แปลว่าบ้าน พอแปลเป็นภาษาสันสกิตบาลีอสาวะมันใหญ่เลยเกินนะคาราหากัสกาฟฮาเรแล้วก็มีรออยู่ข้างบนตัวกัสแปลว่าบ้านบ้านก็ต้องก็เรียกว่ากัสหมดแปลว่าบ้านหมดเลยเอาเราแปลว่าคาราห่าก็แล้วกันสาวะมันโกดีวากานูยันไฮตูนามินัลจีบาลีบูยุตันอามนนอยู่ในบ้านอาเมนิน มีความรู้สึกว่าข้านั้นแน่แล้วปลอดภัยแล้วรวมไปถึงไม่คิดว่าคงไม่ตาย น, น, นะนะนะแผ่นดินไว้ก็ไม่ตายด้วยโอ้โหสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันนะล้วเป็นไงครับฟาอาคอซาฮูมุมไซฮะตูมุสบิฮีนฟาอาคอซาทุมอาคอซาเปไ่าอะไรนะลงโทษ อะคาซาแปลว่าเอาะที่แปลว่าลงโทษพวกเขาเหล่านั้นโดยอะไรครับเอาซอยค่ะหมายถึงเสียงกัมปนาตเสียงรงแรงหมายถึงแผ่นดินไหวอัลลอฮฺได้ให้แผ่นดินไหวเป็นการลงโทษพวกเขาเหล่านั้นตอนกี่ทุ่มกี่ยามมุสบีฮีอินดามอหนึ่งตอนเช้าเลยใช่หไหมสังเกตสึนามิครั้งที่แล้วกวับตอนเช้า ทำไมทำไมต้องเล่นงานตอนเช้ากับเล่นงานตอนกลางคืนมีอยู่สองช่วงนะตอนดูฮาร์ดูฮาตั้งแต่กี่โมงหลังจากตะวันขึ้นแล้วประมาณสักยี่สิบนาทีนั่นเขาเรียกวเข้าเข้าเข้ า, ขาดูฮาแล้วเข้าชาจนถึงเที่ยงนะ่ะนั่นดูฮาส่วนใหญ่ตอนเช้าเช้าคนจะลืมอัลลอฮ์สุบฮานาววาตาละส่วนใหญ่ยุ่งกันได้นะค้าขาย ขายไก่ขา ย, ขายเป็ดขายโจ๊กขายกย๋วยเตี๋ยวขายแล้วก็เริ่มค้าขายตอนเช้าโอ้รับเงินรับเงินรับเงินรับเงินคนนมาดดูฮานมีกี่คนแล้วก็ตอนกลางคืนเดึอๆส่วนใหญ่ก็จะนอนหมดเลยไม่ใครไม่เคยถึงอัลลอฮฺจะนัอ่อันนะอลลอฮฺจะเล่นงานตอนไหนตอนที่คนกําลังหลับกับคนที่กําลังเพลินอยู่กับการสนุกกับการค้าการขายหาเงินหาทอง ฮาริสกีของอัาาลลอฮ์ س ب ละโดยไม่ได้นึกถึงอัาาาลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل นั้นนี่อัลลอ์เล่าไห้ฟังนะันฉันลงโทษคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่แอนตี้นบีถ้าพวกเราก็คนที่ไม่เอาสุนนะนบีระวังให้ดีนึกว่าตัวเองอารมินีนนึกว่าปลอดภัยแล้วมึงไม่ใช่พี่น้องอารมินีนเนี่ยแปลว่าปลอดภัยนะอ่า ย่าคิดว่าตัวเองน่ะปลอดภัยแล้วถ้าปฏิเสธสุนทรนะบียังไม่ปลอดภัยนะครับฝาอัคราทูมุสซยฮาตูมุสเบฮีนดังนั้นเสียงกัมปนาตหมายถึงแผ่นดินไหวได้ทําลายพวกเขามุสเบฮีนตอนเช้าๆในายามเช้าในอายาอื่นอธิบายอย่างนี้ซอยฮาหมายถึงเสียงกมปนาตเสียงดังแรง ท a f s r อธิบายนะพวก s a a f สมัยซอบานบีอธิบายเลยอัลโซยฮะจัลจัลาแผ่นดินไหวจัลจัลาแผ่นดินไหวผมอยู่อินเดียแผ่นดินไหวในอินเดียผมคุยกับเด็กๆมถาว่าอะไรเกิดขึ้นเขาว่าดนละลาโเ แผ่นดินทะเลาะกันหรอนั่งฟังดูอัลลอฮ์เด็กเด็กที่ผูกพันกับศาสนาน่ะนะเวลาจะพูดอะไรเนี่ยมันดีอ่ะเขาว่านแผ่นดินทะเลาะกันแผ่นดินตรงนี้ตรงเี้มตีกันให้พวกเราลำบากผมเข้าใจเลยอัลลอฮ์อักวาในเรื่อง40ปีแล้วนอาต่อมาครับฟะมาอักรนาอันฮุม มากกนูยักษีบูนแปลว่าอะไรครับอัรนาอันหุมต้องการจะอธิบายว่าที่พวกเขากานูยักษีบูนที่ภูเขาได้ขนขวายลงทุนสกัดบ้านเป็นภูเขาสกัดภูเขาเป็นบ้านที่วูเขาลงทุนที่เอาล่อให้ทุนเขา่ังแรงคือมีสุขภาพแข็งแรง แล้วก็ได้งเงินได้ทองมาสามสี่รายการนี่อลอสเล่าบอกไงนะมาอากรนาอันห่มไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลยก่อนหน้าก่อนนี้แปลว่ารวยเงินของเขาร่างกายของเขาคารหัสของเขาที่เขาสร้างนั้นไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้เลยนี่ให้ยังให้ไหมลงทุนะลงทุนสร้างบ้านอะไม่รู้เท่าไหร่ ล้ว ก, ด ก, กาา็ดูแลร่างกายกินอาหารดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็มีเงินมีทองทานู่นทำนี่เวลามีมูซีบามาจริงๆมีแผ่นดินไว้มาจริงๆงถามว่าไอ้สามสี่รายการที่เขาลงทุนเป็นร้อยรอยล้านพันล้านหรือสิบสิบล้านเนี่ยเก็ให้เวลากับมันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยช่วยเหลืออะไรเขาได้ไหมนี่สอนให้คิด ช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่มัมยพื่น้องอ่ะทีนี้ที่น้าท่วมครั้งทีแง่แล้วหลายคนไม่เอาศาสนาหนีหนีหนีห น, นีรอดได้เนี่ยตรงนี้ได้ข้คิดอะไรต้องการจะบอกว่าวันนี้หรือไม่เอาศาสนาบนดุนยาใบนี้ยังหนีได้นะแต่ถ้าหากว่าโลกอาคริะหนีได้ไหมอ่เตือนให้พรู้ววาวันนี้เรื่องหนีได้นะาทิ้งซื้ออะไรปลูกบ้านราคาสามสิบล้าน พอน้ําก็มา ก, ก่านาอนน้ำเอาลอกก็ค่อยๆส่งเทียมาใช่ไหมค่อยๆช้าสามวันสีวันเอาขึ้นขึ้นนี้ท่านแต่ในวันเทียมาหมดสิทธิ์คนที่ไม่เอาศาสนาหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ธครับอุมฟามาอัคนาอันหุมคาราหาที่พวกเขาสร้างเอาไว้เงินที่วกเขาสะสมไว้สถาปัตกรรมความรู้ที่พวกเขามี ม, มีอยู่ทั้งหมดที่เอาลอกบอกว่า อย่าไปให้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากนักเลยเอาเวลานี้มาทําอิบัตด์บ้างใช่ไหมมานมาห้าเวลาไอเนมาห้าเวลาเนี่ยช่วยคุณได้ตอนมีปัญหาเิ ullah, รครุลนล้อจำนึกถึงอัลลอฮ์แตครับโดยหวัวใจอันบริสุทธิ์ลงทุนอย่างนี้ช่วยคุณได้เวลาคุณมีปัญหาติดต่อกับเครือญาติลงทุนอย่างนี้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ช่วยคุณได้ตอนคุณมีความเดือดร้อน ดูแลพ่อแม่ให้ดียิ่งพ่อแม่ตอนเจ็บไข้ใ้ป่วยยาดาเขาอย่าตาวาดเขาอุ้มเขาดูแลเขาล้างก้นเขาจะดันคนที่ใจไม่ถึงนะล้างกา้นมะปะใจอย่าย่าอย่ายุ่งไปห่างๆเลยไปสร้างบาปทำไมอ่าเพราะฉะนั้นนบีของเราเนี่ยสั่งนะทำอะไรก็ตามทำแล้วต้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ ไม่เฉพาะบนโลกดุนยาอย่างเดียวต้องได้รับรางวัลในโลกอาเคโรด้วยอ้าวอย่างพวกเนี้ยส่งลูกเรียนสถาปัตต์ความรู้มีไหมมีสกัดภูเขาได้ไ้ยเป็นบ้านได้ร่างกายแข็งแรงบินเงินมีทองค้าขายดีแต่ต้องโกงตะช่างนะถ้าหาว่าใครค้าขายไม่โกงตะช่างนะเขาบอกว่าบ้านนี้ไม่รวย Allah ส่งนบีซาเลมมาส่งนบีชูอัยมาน่ยมาสอนยายายายายายาเอาเวลาอาดับมาเนี่ยเตืออย่างลงทุนโกงตาช่างมาเวลาเจออาดาบจริงๆช่วยไม่ได้ใช่ไหมสู้อยูตต่ต่อรอบไม่มีเลยเวลามีปัญหาช่วยได้ไหมที่ไม่สู้ยูนนะ่ะช่วยไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอายาเ น, นี้เตือนใจเราฟ้ามาอักรนาอันหุม มากกนูยักษิบูญดังนั้นคฤราหาตามภูเขาร่างกายแข็งแรงเงินทองกิ่การธนาคารสิบ ร, รับห้าล้านสิบล้านนี่นะไม่สามารถอำนวยประโยชน์แก่ภูเขาได้เลยสิ่งที่เขาได้ขนขวายไว้ไม่สามารถอำนวยประโยชน์แก่เขาได้เลยอัลลอฮฺอักบะเนี่ยอม م า ن เพิ่มไหเพิ่มให้เรานึกออกโอ้แต่ไม่ได้หมายความว่า สถาปัตย์มาโรงเรียนเรียนเป็นอาชีพอ่ะเขจะหาเงินเข้าเข้าตัวเองใช่ไหะอย่างนี้เป็นตน้นร่างกายแข็งแรงดีไหมเอาดีดูแลไปกินยาลูกยอไปใช่ไหมแล้วก็ออกกำลังกายไปอะไรไปถามว่าเอาร่างกายแข็งแรงไปทำอะไรคำตอบก็คือทำอิบาดะต่าออาัลลอฮ์ดูขึ้นนมาตะฮัดยุดเดินมามัสยิดได้ไม่เจ็บไข้ใดป่วยดูแลพ่อแม่ดูแลญาติพี่น้อง อย่างเนี้ยเนี้ดให้ดีมีรางวัลตอบแทนจากอัลล์ทั้งหมดนะครับเอาต่อมาครับอายะที่8ปหว่มะคารักนัสมะวะติวัลอัลว่ามะเบยนหูมะอิลลาบิลฮักวอินนัสะตะลาอัติยาฟัซฟะฮิซัฟ พัลจะมีลพอเลอาคุยเรื่องอะไรนะคุยเรื่องแผ่นดินไว้คุยเรื่องตายคุยเรื่องไม่สามารถไอขิงที่เขาลงทุนไว้สแสวงหาเศเหลเสียงเงินเสี ย, ง เ, ง เ, สยเวลาไปเล่าให้ฟังเสร็จแล้วบอกกับเราคนอ่านคนอ่านว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างชาน้านะ่ะกำลังกลังนึกเรื่องอัลฮบุลฮิจรีสมัยนบีซอลแล ให้เราคิดถึงปัจจุบันเลยเอามองมองมองปัจจุบันว่ามาคอรักนัสมาวะติวัลอะล้อให้เราคิดไวๆเห็น ไ, ไหมให้เราคิดนู่นคิดนี่ไวๆอย่าคิดช้าเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาแปลว่าไม่นะเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินเล่นๆอ่าเขาเล่นๆ ไ, ไม่มีเราแกจอธิบายได้อลล้อมมาจะสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินมาเล่นๆ น, นะ อิลลบิลฮักหรือว่าวามาไบหนาหูมาอิลลบิลฮักสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งสองนั้นไม่ได้สร้างมาเล่นๆ น, นะอิลลบิลฮักนอกจากเป็นความจริงไอความจริงอธิบายยังไงครับพี่น้องอธิบายอย่างนี้มีความหมายหาประโยชน์ศึกษาสิ่งที่อัลลอ์สร้างมาได้ทุกรายการเลย อ้าวสร้างชันฟ้าสร้างดวงอาทิตสร้างอะไรนะดวงจันสร้างมาลาอิกาสร้างดวงดาวนึกว่าสร้างมาเล่นๆอ่ะอัลลอ์ลงทุนมากมายขนาดนี้มันมีให้มาอยู่ในนั้นมากมายอัลลอฮ์ต้องมองดูสิอัลลอ์เนี่พอมีมีดวงอาทิตย์กับดวงจันสองอย่างเนี่ยทำให้เราได้รู้จักเวลาใช่หรือไม่ใช่แล้วก็โคจรใช่ไหมต้มเป๊ะเลย เนช่วงนี้น่ะมาซูเปอร์ไว้ไว้ทุ่งชาชาอชาสิไว้ขึ้นเด้ออ่ะไว้ขึ้นเนีมั้ยอ่ะเห็นไห ม, หไหมแล้วก็ไม่อยู่ช่วงนึงโอโ้อหาช้าหกโมงเห็นไหมนั่นเห็นไหมเป็นระบบหมดเลยอ่ะแล้ช่วงนี้ร้อนเห็นไหมในช่วงนึงหนาวนี่มันให้มาทั้งหมดเมื่อวานเขไปราชราชบุรีมา เราทำดูเลยละเดินทางไกลหน้าดูเลยแล้วก็นึกโอ้หบีขึ้นไปลงเม่รอดแค่นี้บนไม่เป็นทำดูสิละมันมันมันดีทั้งหมดเลยละไทยเรารู้จักรู้จักก็เออ <c oughs> รู้จักเปรียบเทียบอ่าเห็นไหมเปรียบเทียบพอเดินไปรู้ไปรู้จักมัสยิดที่ผมไปเมื่อวานที่มัสยิดอัลมาดานีอิมา ม, ม่อยู่ก่อกลางเนี่ยพอเห็นหน้าผมเคยเห็นหน้าที่ไหน เขากโพลอยู says, ่ก่อกลางเขาบ่กอาละมาได้ไงก็ไปขายเนื time, ้อสาสิบปีครับก็เล่าให้เราฟังกุ้ารู้ไม้โซลราเนี่ยขายตั้งชื่อว่าใครอ่ะตั้งฟังกิ้งอ่ะตั้งตังเมื่อไรก็ไม่รู้อัลลอฮฺพระผู้ทรงรู้อัลมาดันนี่เอออะไรน่ะมันมีอยู่สามมัสยิดที่ราชบุรีนะ อ, อ, อีกอีกอ่นนึงอะไรปร่งๆเนี่ยไม่ใช่บ้านโป่งอะไรไม่รู้มีเด็กเข้ากรงเข้าค่ายทำดมีมุสลิมะอะทำดีแล้วคนไทยคนไทยศาสนากันเยอะนะแล้วมีนักเรียนจบเป็นาดวัวคนหนึ่งมาเป็นครูอยู่ที่นั่นก็ทำดีแล้วก็เห็นมีอุลมามะสอนหนังสืออยู่มันสบายใจเป็นเรื่องเ อ, อไว้ใจได้ <c oughs> เอาไปนองมันมีปัญหาเยี่ยมเยียนคือน้องมุสลิมดีไหมดีหมดเลยครับ อต่อมาครับอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นโดยไม่มีเป้าหมายไม่ใช่อิลลิลฮักจีนอกจากสร้างมาเป็นความจริงหมายว่ามีให้คุณมหาประโยชน์หาความรู้จากสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดเลยโอ้พี่น้องครับดีหมดนะครับดีหมดต่อมาครับว่าอินนัสซาตัลลอติยา แท้จริงสาที่นี้มาจะแปลวรรณนาฬิกากนะิยามาอัศบีมานาอัลลติยามาวันวันสิ้นโลกวันสิ้นโลกเป็นไงครับละอาตยาตุนมาแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยเกิดขึ้นแน่นอนวันแห่งอวสานวันสิ้นโลกมาแน่มาแน่นอนนี่เนี่ยกี่เรื่องครับ สองเรื่องแล้วให้ดูชั้นฟ้าแผ่นดินแล้วก็ให้ดูสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินให้เราพิจารณาดูตัวเราเองด้วยรวมไปถึงข้อที่สองวันกิยามะอย่าคิดว่าที่อัลลอ์สร้างมาว่าแข็งแข็งเนี่ยนะไม่ใช่หมดไ ม, หมด่หมดอายุ น, น, นี่มีวันหมดอายุแน่นอนเหมือนเหมือนกับว่าจะไม่หมดอายุยานั่นแนะหะเดูสิสร้างมาเนี่ย เข้มแข็งเหลือเกินตั้งกี่ล้านปีมาแล้วยังสวยอยู่เลยอัลลอฮฺบอกว่าอินนัสซาอัตะลาอาตยาตุนวันหมดอายุโลกใบนี้มีแน่ครับต้องเชื่อเลยเราต้องเชื่ออทีนี้อะไรที่เป็นหมดอายุเราก็ต้องนึกต่ออีกว่าโอ้สมาทาเวลาเนี่ยที่ลงทุนไว้ไม่หมดอายุอ่านอัลกุรอานศึกษา กูเรีานความรู้จากอัลลอฮ์ผ่านรอซูลไม่หมดอายุอีมานไม่หมดอายุตักว่ามไม่หมดอายุสบัิอดทนความเดือดร้อนที่มาประสบกับเราอดทนทำความดีอดทนไม่ทำความชั่วไม่หมดอายุของที่ทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไม่หมดอายุแต่ทำเพื่อวัตถุทำเพื่อโลกดุนยาใบนี้หมดอายุหมดอ้อได้ความรู้เพิ่มอิมานเพิ่มไหมเพิ่มโอ้ โ oh, อย้ยางงี้เองนะเนี่ยอุลมามะก็แนะนำไว้สลับซอลยฮินอธิบายแล้วเข้าใจแบบนี้เอาต่อมาครับในเมื่อต้องการจะบอกวันวั น, วนกียม์มามาแน่แล้วต่อไปอะไรครับอายาวักสุดท้ายฟัสฟิเฮัฟัลจามีนแปลว่าจงหลีกห่างจงหลีกห่างพวกเขาหรือว่าจงอดทนต่อพวกเขาใครอ่ะ คนที่สายร่าอิสลามมีมาตั้งสมัยนบีนุฮจงกระทั่งสมัยนบีมุฮัมมัดจนถึงวันเกียร์มาศัตรูมีไหมมีตลอดฉะนั้นเราถูกรังแกนบีมุฮัมมัดถูกรังแกนบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้ถูกรังแกทั้งหมดเอาล่อให้กำลังใจบอกว่าอดทนอดทนเห็นไหม เอานบีอดทนอดทนถูกรังแกที่นครมาดีนะโดยกระทั่งอลัลลอฮฺอพยพเห็นไหมถามว่าทั้งหมดในมีผลบุญไหมมีผลบุญตอบแชรจากอลัลลอฮ์ทั้งหมดเลยและคนที่เดินตามนบีมุฮัมมัดมีผลบุญไหมมีครับหมดอายุไหมไม่หมดอายุฉนันท่าทำอะไรเพื่อเพื่อชั้นฟ้าทําอะไรเพื่อแผ่นดินทําอะไรเพื่อสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินมีวันหมดอายุ แต่ทำอะไรเพื่ออัลลอ์ไม่มีวันหมดอายุมีผลลบุญตอบแทนแต่อัลลอฮ์ฮะดีสนบีเล่าอย่างนี้คนที่ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์นะเช่นเราบริจาคอินทพลามเมด็ดหนึ่งยกตัวอย่างนะให้กับเด็กกำพร้าออเอาไป <c oughs> นบีลเล่าให้ฟังว่านี่นบีพูดให้กำลังใจพวกเรานะอย่าคิดว่ามันอยู่เล็ก ตลอจนกระทั่งง ว, งวนเกลียมาไม่ใช่มันจิงโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นใหญ่ก็นยาหนาให้มองดูภูเขาอูฮุดมันตนลงทุนไปทําภัดอีกลงทุนมาทํา ม, มุญรอ้อไปดูภูเขาอูฮุดที่นบียกตัวอย่างนี่งอ่ะเอาคนที่มานมาะนาจาเนี่ยบางทีเรามาได้เราไม่รับตังเพราะเรามองตังเมืองก็จิกจ้อยแต่เรามองอะไรมองคําสั่งของนบีที่บอกว่า ใครที่มานามาัสการนาซาที่มัสยิดได้หนึ่งแกลลอนหนึ่งแกลลอนนบีอธิบายเท่ากับภูเขาอูฮุดใครที่พามายิบไปส่งที่กุโบตต่ออีกจะได้อีกหนึ่งแกลลันกลายเป็นสองแกลลันเท่ากับภูเขาอูฮุดสองอันสองบใบไก่เงินได้มาร้อยหนึ่งทเนียรเงินร้อยหนึ่งหมดอายุไหม ว่าอินนัสอาตอตยตุนวันกิยามาแน่หมายถึงชันฟ้าเนี่ยพินาศเงินในกระเป๋าท่านหมดชื่อเสียงหมดแต่ถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์หมดไหมไม่หมดอัลลอฮ์ให้สองภูเขาอูฮุดเนียดยังเดียวเนียดเพื่ออะไรโอ้ขอบคุณอัลลอฮ์สุภาพนะอูตาดาเนียดสำคัญมากเลยอ้าวต่อมานะครับฟัสฟะฮิซฟฮลมีน จงหลีกห่างจงอดทนโดยสุภาพอัลลอฮฺอยู่กับคนมุชริกที่แอนตี้ศาสนาอยู่กับคนที่ไม่เอาศาสนาอยู่ยังไงไม่ใช่อยู่ทะเลาะกับเขาไม่ใช่อดทนหลีกเียงห่างหลบบ้างมีอยู่หลายอายะอัลลอฮฺสอนอย่างนี้ว้ด่าขอต่อบปหุมุลจาฮิรุนกอลูซาลามาเวลาเจอคนที่คุยไม่รู้เรื่อง่ะ ดันทุรังเราสันติสันติ ค, คุณชนะฉันแพไม่มีปัญหาเป็นนั่งเถียงกันนคุณชนะฉันแพอัลลอฮุสซาหคนที่มันดันทุรังพูดไม่รู้เรื่องมีไหมมีเยอะคุณชนะคุณชนะเราแพเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเวลาไปพบกับคนที่แอนตี ana, ้ศาสนาแอนตี้ซุนนะไม่เอาศาสนามานั่งคุยกับเราเนี่ยทำไงอัลลอสั่ง ฟัสฟาให้ซฟฮัลจามีนจงหลีกยห่าง ล, บ, ลบไปหน่อยก็ได้หวังนะครับหวังรางวัลตอบแทนจาก Allah, อัลลอ์เพราะเป้าหมายเรามันใหญ่กว่านี้อีกเราไม่ใช่เอาคุณเราเอาตระกูลคุณทั้งหมดมาับอิสลามโอ้ตงนึกอย่างนี้ด้วยอย่างนาเบียฮัมัดนะใช่ไหมลนะ่ะไปที่ที่ไหนนะเอ่อตอเอฟเอ่าตอเอฟ มีผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่สามคนมาว่าว่าดาดาณบีนบีมองไกลมันจะมองแค่สามคนนี่เพราะนาบีถูกรังแกถูกหินขว้างให้เด็กขว้างนาบีก็เดินมานั่งแต่นบีเนี่ยใจสูงเนี่ยสอนพวกเราเนี่ยมาเลยก้ามาสงสารนาบีแทนนบีเอาแบบเาจะให้ภูเขาเดินชนแล้วก็คนตายหมดนบีบอก ไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าสามคนนี่ไม่เอาศาสนาไม่มีปัญหาให้หลานเข้านู่นน่ะนบีมองการไกลเอาทางตระกูลเลยไม่ใช่เอาสามคนอัลลอฮฺอักบัไดไหมทำให้เราใจเนี่ย ม, มองตรงนี้ไหนได้นึกอะไรเยอะมากเลยนึกเยอะเอาท่ามดูดิละพี่น้องอินนารบบากะ ฮุวัลคันละกุลอาลีอินนารบบะกะแปลว่าอะไรครับแท้จริงรบบะกะพระผู้อภิบาลของท่านฮุวัลคันละคนลากแปลว่าคันแ ล, ล้วก็แปลว่าสร้างนั่นแหละเป็นผู้สร้างอ่าเป็นผู้สร้างถ้าคันลาแปลว่าสร้างอันยิ่งใหญ่นะมันจะสร้างธรรมดาอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างอันยิ่งใหญ่ เอาสร้างอะไรครับเนี่ยสร้างดุนยามาเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ทีนี้ตอนก็ต้องการจะอธิบายต่อว่าจะต้องมีอีกรายการหนึ่งที่ใหญ่กว่านี้คือให้วันเกียรมาฟื้นขึ้นมาเนี่ยให้มนุษย์ที่ตายแล้วฟื้นมานั่นเป็นการสร้างที่ยิ่งใหญ่แต่อารอก็เล่าว่าไม่ใช่ใหญ่เรอสร้างครั้งแรกในใหญ่กว่าอันนี้มันสร้างครั้งที่สองเนี่ยง่ายง่ายง่ายนิดเดียว สร้างปดพื้นหมดเลยเห็นไหมจากนั้นเราในทัศนะเป็นบ่าวอัลลอฮ์ต้องชมอัลลอฮ์ตลอดเวลาอินรอบบะกะหูวันคอนล้วอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอันยิ่งใหญ่สร้างอันใหญ่ของอัลลอฮ์ก็คือเพียงแต่กุลไฟกุลเพียงแตบอก ว, ออบว่าเป็นก็ค่อยๆเป็นอัลลอฮ์เราเพราะว่าเป็นลงทุนเท่าไหร่สร้างกระสอบหลังหนึ่งต้องลงทุนกี่หมื่นอัลลอฮ์เหนื่อยใช่ไห ม, ไหม อ้าชมอัลลอฮุดีกาอินนารอบบะกะหูวัลคอนลากแท้จริงอลัลลอฮ์เป็นผู้เป็นผู้สร้างอันยิ่งใหญ่อัลอาลีมอาลีมแปลอะไรนะผู้ทรงรอบรู้ทัฟซินอธิบายดีรอบรู้อะไรรอบรู้ว่าวิญญาณของคนอยู่ที่ไหนและจะจะไปเก็บไว้ที่ไหนตอนออกจากร่างรอบรู้ไปถึงว่าเวลาเราคนที่ถูกฝังไปแล้ว แผ่นดินเนะี่ยมันกินเนื้อเราไปแบบไปอยู่ตรงไหนอรรรู้หมดซบที่ตกเครื่องบินมาเนี่ยหายหมดเลยเนี่ยอรรรูอยู่อยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่หน่อยอยู่ที่นี่หน่อยเดี๋ยวเรียบรวมได้หมดเลยนั้นอาลีมรู้หมดเลยแล้วก็รู้เรื่องในใจก่อนเดี๋ยวจะพูดด้วยอาลี ม, มต้องนึกถึงอรรรตูอลาตรงนี้เยอะๆอินรอบบะกะฮุลขลลากุลอาลี ต่อมาครับอายาที่แปดสิบแปดสิบเจ็ดอายาสุดท้ายนะครับวละลากดอัทน์นากาซาบะมินัลามาซานีวะลุุร์อัลลาฮิมวะลากดกดแปลว่าแท้จริงแท้จริงหรือว่าโดยแน่นอนยิ่ง อาัยนากะเราได้ประทานแก่มูฮัมมัดอาตัตนากะเราได้ประทานให้กับมูฮัมหมัดซับอันแปล ว, ว่าเจ็ดองอธิบายด้วยเจ็ดเนี่ยจ็ดเจ็ดอะไรอ่ามินัลมาซาเนมาซาน่แปลว่าที่ถูกอ่านซ้ำไปซ้ามาอัลลอฮ์ได้ประทานให้กับท่านนาบีมูฮัมหมัด สิ่งที่ท่านอ่านซ้าไปซ้ำ ม, มาเจดอายะเดวยกันอ่าเจดอายะเดวยกันเจอายะหมายถึงสุรอะไรฟาติฮะข้าอธิบายให้เราฟังซุฮบะนบีอธิบายคํำว่าซับอัลมาซาน่เนี่ยหมายถึงเจดรายการที่ท่านอ่านซ้ําไปซ้ำ ม, มาในทุกๆเวลานามาด ไม่ว่าจะเป็นนมาศฟารูหรือนมาศสุนัตหรือนมาศนาวาฟินหรือนมาศอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมนมาศจนาซาตัวเนี้ยต้องอ่านหมดเนี้ยใครอธิบายสุฮบบ า, าบะฮ์นบีอย่างน้อยสามคนหนึ่งใครนะท่าน อ, อ, อุมารท่านอาลีท่านอิบนีมัสอุนเป็นสุฮาบะฮ์ก็ชิดนบีอธิบายว่านาบีสอนอย่างงี้เอาตาบียร์ คําว่าตาบีอินก็คือคนที่ไม่เคยเห็นหน้านาบีแต่เห็นหน้าสุฮับะอย่างน้อยหกคนห้าคนมีใครบ้างที่บอกว่าซับบะอัลมาซานีเจดรายการที่อ่านซ้ําไปซ้ามาเนี่ยว่าเป็นซุราะฟาติฮะเนี่ยใครรู้ไหมท่านฮัสซันบัสรีนี่เป็นตาเบียอีนนี่เป็นอุลมามะทั้งหมดเลยนะแล้วก็สองมูจาฮิตนี่ยเป็นตาบีอินเห็นหน้าสุฮาบะแต่ไม่เห็นหน้านาบี แล้วก็ท่านกอตาดะท่านรอเบีย ท, บบท่านบักบิกท่านบิกสี่ห้าคนด้วยกันอธิบายว่าซามาลมาซานีเนี่ยหมายถึงสูรฟาติฮ์ฉะนั้นสบายใจได้เลยนะครับเอามาดูนบีครับนบีสอนอย่างนี้ท่านอบูฮุรอยระอไ ด, ได้ได้งานฮะดิสมาบอกว่า ก้นนบีสุลต์วะสุลต์วะนบีสุวอุมมลกุรานอุมมุลกุรอานอุมไปวะมะกุรอานมาถึงกุรอานแม่ของคำภีกุรอานคือสุร์นี่แหละสุรอฟาติฮะอัสซับุลมาเเป็นแม่ของคำพีกุรอานเลยเป็นหัวใจของคำภีกุรอานก็คือสุรฟาติฮะมีอยู่เจอายะ ที่อ่านซ้ําไปซ้ามาอัลลอฮฺอักบะฮฺะดีษนบีอธิบายต่อไปอีกนะนี่แหละเป็นอะไรนะเป็น왈 ق กุ آ อَ ا ل ع َ ظ ِ ي م َและอัลกุรอานอันยิ่งใหญ่อัลลอฮฺให้สุรฟาติฮะและอัลกุรอานอันยิ่งใหญ่ในคัมภีร์กุรอานที่เราถืออยู่เนี่ยนะมันใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่าคัมภีร์กุรอานไม่มี หรือต้องการจะอธิบายว่าซูลรอดฟาติฮานั้นเป็นซูลรอดที่ใหญ่ที่สุดไม่มีซูลรอดใดหรือไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะใหญ่กว่าคำพีอัลกุรอานหรือซูลรอดฟาติฮะไม่มีไม่มีแล้วใหญ่สุดต้องการจะบอกวันนี้อมาที่อัลลอฮ์ให้กับเรานั้นผ่านนบีมูฮัมหมัดให้กับอุ ม, ม่านบีมูฮัมหมัดนี่นะยิ่งใหญ่เหลือเกินตอนนี้อุ ม, ม่านมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มก็จะกลุ่มอะไนะกลุ่มพวกเราเนี่ย เขาเรียกว่ากลุ่มอิยาบะกลุ่มที่น้อมรับคำคำสอนของอัลลอฮ์แล้วแล้วพี่น้องที่ที่ยังไม่เข้ า, าศาสนาเนี่ยพวกกาฟิรินมุชลิมีนใครตะใครที่อยู่ข้างนอกอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอุมมะดาวะอุมมะที่เราจะต้องไปเชิญชวนเขาบอกเขาสอนเขาเราเนี่ยอุมมะอะไรนะอุมมะอิยาบะอุมมะที่ตอบรับคําสอนของอัลลอฮ์แล้ว แต่รับไม่หมดรับสุนท์นาบีบางเรื่องอีหลายเรื่องไม่เอาระวังระวังระวังระวังตอนนี้อัลลอฮให้อยู่สบายแต่ท่านคนที่มีบ้านเจาะภูเขาอยู่ต้องนึกถึงอัสฮาบุลฮิจรีนะแข็งแรงนะทำซีนาอร่อยนะอยู่บ้านปลอดภัยนะถ้าไม่นามาดมึงระวังมึงระวังให้ดีมึงระวังระวังมึงถูกแน่ๆ แ, แล้วแต่ชาหรือไวเท่านั้นเอง เอาทีนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้ซูล่าฟาติฮามสำคัญยังไงซูล่าฟาติฮามมีทั้งหมดเจ็ดอายะอัลลอฮ์แบ่งเลยอัลลอฮ์แบ่งนะคุณต้องจำเลยนะจำเลยผมน่ะจำนะจำมาตั้งนาแล้วนะซูร่าฟาติฮามมีเจ็ดอายะแบ่งอย่างละสามอายะครึ่งอา้าวอัลฮัม ب ิ سم الله ا ل อียกะนาอบดอ่าพอมาถึงอยกะนาอบดเนี่ยวแรกเนี่ยเป็นของอัลล์ตั้งแต่ ا ل ح م นนะ สามอญญายะแล้วนะอิยากรนาบูดูวักนี้เนี่ยรวมเป็นของอัลลอฮ์สามอญญายะครึ่งเป็นของอัลลอฮ์อธิบายยังไงอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาลเมีนแปลว่าอะไรนะบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์เวลาเราเราเกล่าวในนมาพอยืนนมาเราเกล่าวคํานี้แหละอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาลเมีนอัลลอฮ์กล่าวเลย บ่าวของฉันคนนี้กําลังชมฉันเบาวคนที่อ่านนมาเนี่ยนามากันล้านคนพร้อมๆกันเ อ, อ่ชื่อนะคนนี้คนนี้กําลังชมฉันนี่เอาล้อว่าอย่างนี้เลยนะพอวรรคที่สองอาราหมานิยโรฮิมเบาของฉันคนนี้กําลังสรรเสริญฉันฮามาดานีแปลว่าสรรเสริญฉันสานะฉัน พอเรากล่าวว่ามาลีกิอุมิดีนแปลว่าอะไรอ่ะอลัลลอฮฺเป็นเจ้าแห่งวันตอบแทนเพราะว่าคํานี้ปับ๊บอัลลอฮฺชมว่างี้บ่าคนนี้เนี่ยกําลังอะไรนะกําลังเอ่ยเอ่ยเอ่ยอะไรนะเอ่ยถึงความยิ่งใหญ่ของฉันเป็นเจ้าเป็นวันตอบแทนอ่ะอลัลลอฮฺเนี่ยคดีที่เกิดขึ้นนะพวกเราเนี่ยใช้กีส า, าลน่ะอัลลอฮฺว่ากับ วันนึงขึ้นศาลคีเที่ยวเหนื่อยอ่ะแต่อัลลอฮ์ตอบสินคนเดียวหมดเลยมาลีกียวมิดดีที่นั่นพอเราว่าคํานี้อาย่านี้ปั๊บอัลลอฮ์พูดกลับมาว่าเบาคนฉันคนนี้กําลังอะไรนะกําลังเอ่ยถึงความยิ่งใหญ่ของฉันสามอาย่านี้ชมอัลลอฮ์หมดเลยใหญ่ได้ไมใ่ใหญ่เพราะเราอ่านว่าอียาแกนาบูดูถึงแค่นี้นะ เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราพักดีต่ออัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์เอาต่อมาเป็นเรื่องของเราแหละไวยาการ์สตานเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่มนุษย์ขอความช่วยเหลือที่เราขอความช่วยเหลือนี่อีกครึ่งหนึ่งนี่เป็นของของเป็นของเราอีกครึ่งแรกเป็นของอัลลอฮ์ครึ่งหลังเป็นเป็นของบา่าวของอ AH. ัลลอฮ์อิฮดีนัสซีรอตัลมุสต์กิมนี่เป็นของเราอีก โอ้อัลลอฮ์โปรดชี้ทางนำที่ถูกต้องที่เที่ยงตรงให้แก่เราโดยเธอนี่เราขอเป็นของเราเลยนะทะลายละหนึ่งครึ่งใช่ไหมมันต้องสามครึ่งใช่ไหมเอาสองซิรอตุลละดีนอันงามตาไลฮิมแปลว่าอะไรทางที่อัลลอฮ์ทรงประทานความโปรดปานให้แก่เขาเหล่านั้น คือเวลาให้เราก็ให้เราต้องให้เหมือนกับคนรุ่นก่อนๆที่อัลลอฮ์เคยให้มาแล้วอ่ะอพวกไหนมีอยู่สีกลุ่มอัมบียะคนที่เป็นนบีทั้งหลายคนที่เป็นรอซูลทั้งหลายอัลลอฮ์ให้ทางนามกับเขาให้กับฉันด้วยนะแล้วก็คลยครับพวกสุฮาดะคนที่ตาย شهيد ได้เข้าวสวรรค์หมดคนเหล่านี้อ่ะอีกกลุ่มหนึ่งพวกไหน พวกดเซดีกีนคนที่จริงใจต่อศาสนาอาลัลลอฮ์ดูแลหมดลองตายดูสิโอัลลอฮ์สบายหมดเลยเ อ, อีวกักอีกนะซเลฮานคนซอเลคนซอเลคนดีที่ก็อยู่กับาศาสนาอาลัลลอฮ์ปกป้องาศาสนาอาลัลลอฮ์โอ้อลัลลอฮ์ให้คนสี่กลุ่มได้รับทางนำที่อลัลลอฮ์พอใจให้กับฉันด้วยอลัลลอฮ์เนี่ยใหญ่ที่สุด อีกว่าหนึ่งว่าสุดท้ายรอยริมุดูอะหิมวาลดอลีนไม่ใช่หนทางของคนที่อลัลลอ์รงเก้ยวมาคุดูปกลุ่มที่อัลลอฮ์เกลียวนะกลุ่มไหนรู้ไหมคนยูดีวาลบอลีนไม่ให้ไม่ใช่คนที่อลัลลอท์ทให้หลงทางพวกนอซร์ยะฮูดีกับนอซร์ ศา ส, สนาพุทธเล็กๆน้อยๆไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเอาชนะนั้นอัชนะจะชะตอนตัวเล็กชนะได้ชะตอนตัวใหญ่ก็เนหน่อยน้อยใช่ไหมเราขอจากอัลลอฮ์เป็นของเราหนะ้าสามอายาครึ่งสามอายาครึ่งข้างบนเป็นของอัลลอฮ์หมดเลยอัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่ามุฮัมมัดเ อ, อ๋อช่วยโฆษณาช่วยบอกช่วยตั้ล็กให้อุมม่าของนบีมูฮัมมัดนั่นพอใจกับสุรอ์บะกรอเยอะ สุรโรบักรอเอ้ยไม่ใช่สุรารฟาติฮะสุรารฟาติฮะเนี่ยให้พอใจฉะนั้นเวลาไปเห็นคนกาแฟบ้านเขาเขาเรือหาใหญ่ๆอย่างพวกอัสหาบุลฮิจดีฮ้ากระจอกดูที่มะซามาตรนกิลานแผ่นดินไหวเรียบร้อยเรามีสุรารฟาติฮะอ๋อยิ่งใหญ่เนี่ยวันนี้ยังมองไม่เห็นเดี๋ยวลองตายดูสิ โอ้พอตายเนเจอกูโบนโอลสว่างสวัยอัลลอฮ์รู้อย่างนี้รู้บ่ะสุรัสุรัสลเฮจูดเนี่ยอายาแรกว่ายังไงรูบามายาวัดดุลลาีนักฟารูลาอกานูมุสลิมินคนที่ตายอยู่ในกุโบนที่เป็นกาเฟ่นะนะบนวันนึงไม่รู้ว่ากี่สิบครั้งยาอัลลอฮ์ถ้าเป็นมุสลิมไม่ใช่แขกนะถ้าเป็นมุสลิมน่ะ โอ้โหก็จะดีเสียไหม่น้อยเสียใจในกูโบจะนั่นกลัวอะไรนี่ต้องการจะบอกว่าถ้าเรามีกลุอ่านเล่มนี้แล้วมีสุรบะกราที่อ่านทวนไปทวนมาในนามาดมันยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ไม่ตกนรกเห็นไหมสุรฟาติฮานี่แล Allah, ะัลิศมาก่อนั้นเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกหมายแล้วโอ้สุรฟาติฮานี่อัลลอยิ่งใหญ่เหลือเกิน เราไม่มีอะไรมีสุรฟาร์ติฮาอยู่บนนุยานีส่สงางงามนึกถึงซอบ้านนบีคนหนึ่งวัน <c oughs> นั้นเข้าไปในเมืองเมืองหนึ่งบอกให้ต้อนรับเรียงอาหารชา้าเบรคฟาสต์หน่อยขอที่อยู่หน่อยไม่มีใครต้อนรับเลยทางนาบีด้วยซอบ้านนบีด้วต้องไปกลางเต้นอยู่ข้างนอกถูกรังแกจิกจ้อยธรรมด า, าชีวิตใช่หไหมละ่ะพอตอนดึก หัวหน้าเผ่าที่เล่นงานซอฟบ้านนบีถูกมแมลงปองกัดวิ่งหาหมอก็คือนั่นเส้นแล้วก็ต้องไปที่เต้นเต้นของซอฟบ้านนบีบอกท่านครับมีใครที่มีคถาดีอะไรมีไหมไปช่วยอ่านให้หัวหน้าเผ่าช น, นอยพอถูกมแมลงปังกัดต่อยอันนี้กันหนีเดินไปคนเดียวแบบ ส, ร ส, รส อ, ส อ, อร์โซสอร์โซสอะไรนะ ไอ้ที่อเมริกาส่งมาทำลายอะไรน่ะย่างต้มต้ ม, ตมยมกุ้งอ่ะนะอันนี้ก็ส่งไปคนเดียวเหมือนกันออจอสรอสอัะอียูมันส่งมาคนเดียวทำลายประเทศไทยนั้ประเทศเลยเรื่องเงินมันลายไปสิส่งสอบ้านนาดีไปคนเดียวเดินไปบาจเจ็บตรงไหนก็อ่านฟาติฮานี่แล้วสุลตานฮุร์ร่าห์าหมานุลฮะอีมัลลาห์ุลิลลัฮิรอมินาลามินพออ่านจบเปล่าห้า<สฮะ> อ๋ล่ไอ้พวกนี้นึกได้ไม่ฉันเนี่ยทำมาเข้าอย่างแรงมากเกินไปเขาขออาหารเช้าเขาขอตอนรับหน่อยไม่ตอนราบเขาตอนนี้จะเอากูไม่มาแล้วเอาอยู่ก็ไปใช่หไหมมูลนิำ บ, บาสมึนก็เพิ่งกลัวใช่ไหมอย่าลืมซูรา่าฟาติฮาช่วยได้เยอะมากเลยท่านคนที่ผีเข้าวกว่าแม่กันวันเนี่ยจะตอนเล่นงานอ่านซูรา่าฟาติฮาอ่านสามกุญ่ะ เป่าก่อนแล้วก็รูปที่หลังอย่าไปเอาอย่างกพวกพระวัดแมวเปล่าก่อนอ่านอานแล้วก็รูปไปที่ตัวช่วยได้ต้งองเยอะฉะนั้นนบีสอนอัลลอฮ์สอนให้เราคิดหมายเลยว่า น, นี้่สุราะฟาตีฮ์ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาฉะนั้นให้ลูกท่องให้จําแล้ว่าเราต้องรู้ด้วยนะโอ้นี่เรากำลัลงพูดอะไรกับอัลลอฮ์อยู่ อ, อัลลอฮ์มานุรฮีมัลลอชชม เอลลาเราเออเบากำลังสรรเสริญฉันมาดีเกียวมิดดีว่าแค่นี้เย่ยเอาเราอยู่ข้างบนแปล ว, ว่าบ่าวคนนี้กําลังยกย่องฉันว่าฉันเป็นใหญ่ในในโลกใบนี้อียาการนาบูดูเฉพาะพระองค์เท่านั้นองค์เดียวนะที่เราขอความช่วยเหลือไอ้คนที่อ่านโซลอนี่ทําบินอาเต็มเลยคนที่อ่านอียานี้ี่เผยไม่ได้ไปหาโตเตเกียไปทําไมเพราะไม่เข้าใจกุรอานถ้าเข้าใจอียานี่นะจะไม่กล้าทําชีริก จะไม่กล้าทำบาปจะไม่กล้าทรายศต่ออัลลอฮ์พาะเราขอจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์วันนั้นกี่เที่ยวอย่างน้อย ก, ก็สิบเจ็ดเราก็อาัาใช่ไหมนะ่ะที่ตำมัฟารดูนะละซุนนัดอีกเท่าไหร่เานี่วันนี้ต้องต้อ ง, ต, องต้องเปลี่ยนใหม่เราต้องมารู้ความหมายของกุรอานที่เราอ่านแล้วนะอินชาอัลลอฮ์ถ้ารู้แล้วก็อัลลอ์มันยิ่งใหญ่เหลือเกินเอา้าตัวลวงว่าไอสุรฟาร์ติฮะยิ่งใหญ่มาก อสูรต่ออายาต่อตไปอ่านอ่านอาทิตย์หน้านะเนี่ยต้องการจะบอกว่าเวลาไปเห็นความสุขของคนที่ไม่เอาศาสนาอย่าไปเครียดเครียดทําไมไอ้ความสุขที่เขาได้รับนะั้มันชั่วคราวเงินที่เขาได้รับชั่วคราวค่รหาร์ใหญ่ๆที่เขาอยู่ชั่วคราวรถที่วเขาอยู่ขับคันหล่อๆนะชั่วคราว ถ้าเราไม่มีอะไรเลยมีแค่ซุลรอฟาติฮะเราสะงางามแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้ามีบ้านด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ามีรถด้วยดีไหมดียางงี้เป็นต้นเพราะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปมองดูตัวเองให้เล็กไว้อาติจึงหืมเรานี่มันอัลลอฮ์อัลลอฮ์จัดเอาไว้อย่างดีนะอัลลอฮ์มารับบิฮัมดีกัสุบัลเลาะอิลัฮะอิลัยอัลลอฮ์อัสซอลลัมอัลลอฮ์มารับบิบฮัม